พัฒนสู่ธรรมเรื่องความคิดจิตก่อนคิดโดยอาจารย์โกวิศอเนกชัยเขมานันทะวันที่22มิถุนายน2540ผมไม่ได้มามันยายทีแต่ก็เหมือนเดิมทุกครั้งที่เริ่มมันยายสิ่งที่เรียกธรรมะผมไม่รู้จะพูดอะไร ความไม่รู้นี่ปรากฏขึ้นอย่างมโหลานเลยนะเพราะว่าสิ่งที่ที่เราเรียกกันหรือได้ยินนามของสภาวะทั้งของตัวเองและของโลก เดเมนว่าความจริงของธรรชาตินะครับซ่อนตัวอยู่ซึ่งซึ่งหน้าดังนั้นด้วยอาศัยสื่อภาษาซึ่งเป็นที่หมางความคิดรังแต่ทำให้จิตสร้างโลกของมันเองขึ้นมักได้ยินในนามของข้าสมมติแลวเรามักจะได้ยินคู่เปรียบว่า ข้าสมุติหมายว่ามนุษย์สร้างคุณค่าขึ้นเช่นตัวอย่างทองคําซึ่งมนุษย์เท่านั้นที่รู้สึกว่ามีคุณค่ามหาศาลในขณะที่ดินเหนียวก้อนดินที่ฝุ่นก็กลายสิ่งร้ค่าไม่มีมูลค่าแต่ว่าที่พ่อทุกคนพอจะนึกตามได้ ในมูลสัตว์ไม่ว่าจะเป็นลิงหรือเป็นไก่หรือปลาหรือนกจะไม่สึกดินเหนียวกับทองคํานั้นแตกต่างกันไม่มากอาจจะต่างสีสันแต่มูลค่านั้นถ้าเทียมกันคือเป็นศูนไม่ได้เป็นบาทไม่ได้เป็นสตังไม่เห็นพิจิตรีไม่ได้ชัว่ว ใ, ในตัวมันเอง แบบคติธรรมโบราณนะครับว่าการที่เราได้พบปะกันในห้องประชุมนี้คติโบราณที่เชื่อกันเมื่อกี้อาจจะเป็นครั้งอดี ต, ตแต่ปางหลังเราเคยทำบุญร่วมกันไว้เมื่อเช่นั้นทำามต้องมาพบกันในพระกัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์โบราณพูดไว้นะครับว่า ผู้ที่รับประพุทธศาสนาหรือมีความทราบซึ่งในคำสอนของพระเจ้ชชานั้นครั้งอดีตเคยตั้งจิต ป, ปรารถนาจะเป็นพุทธมาแล้วทั้งสิน้นและผู้ที่เคยปรารถนาจะเป็นพุทธ ة, หรือเข้าถึงพุทธก็จะรู้ธรรมะได้แต่ผู้ที่ไม่ปรารถนาจะเข้าให้ถึง ة, ก็จะรู้ธ ة, รธ ة, รมะอีกระดับ อุดมตกรรมที่ล้ำเลิศที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบหรือประดิษฐ์ได้ไม่มีสิ่งใดที่มีอนุภาพร้ายแรงเท่ากับภาษาหรือบทประมนูหรือคีปรนาวุธหรืออะไรๆที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบที่มีสิทธิภาพในการทำลายล้างสูงนั้นยังเป็นรอง รลังจากภาษาเสร็จแล้วการค้นพบประดิษฐกรรมใหม่ๆอื่นๆก็เป็นไปไม่ได้โดยการค้นพบภาษาและพัฒนาภาษาให้กว้างขวางขึ้นมนุษย์ก็ใช้สื่อสารกันติดต่อกันรู้เรื่องถ่ายทอดประสบการณ์จากอนุชนรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งได้ถ้าไม่มีภาษา ไม่สามารถถ่ายประสบการณ์นั้นได้ไม่ว่าเป็นภาษาเขียนภาษาพูดหรือภาษาสั ญ, ญลักษณ์ต่างๆที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันต่ไทีที่สุดประสิทธิภาพมันสูงส่งของภาษาก็กลับกลายเป็นตาข่ายที่ครอบคลุมโลกที่แท้จริง เราคิดด้วยภาษาของเราถ้าผู้ที่เคยเดินทางไปต่างประเทศจะพบว่าพอเข้าใกล้กลุ่มฝรั่งหรือกลุ่มชาวญี่ปุ่นถ้าตัวเองเคยรู้ภาษานั้นบ้างก็จะเริ่มคิดแบบภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นในสภาพแวดล้อมนั้นนั้นรวความว่ามนุษย์เราคิดด้วยภาษาเาเวลาเราคิดเรากำลังพูดอยู่ข้างใน แล้วในความคิดนั้นก็คือมีโมโนภาพครับปรากฏขึ้นเราคิดเป็นสิ่งสิ่งานายก็คิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะคิดถึงทุกสิ่งไม่ได้ครับไม่เชื่อท่านผู้ฟังลองปฏิบัติดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยไม่ไม่มีสักอย่างเดียวเมื่อจะคิด ถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดมโนภาพสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นเพราะันจอใจของมนุษย์มีสิ่งมหัศจรรย์ในการเนรมิตขึ้นสิ่งที่เราคิดขึ้นส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องของอดีตถูกเนรมิตขึ้นใหม่นั้นวิถีชีวิตที่ขึ้นกับความคิดจึงเป็นวิถีชีวิตที่เป็นกระบวนการหยุดยั้งรั้งรออยู่ในอดีต คนที่จมอในความคิดคือคนที่ขาดความสัมพันธ์โดยตรงกับปัจจุบันสุนทรภคตนั้นเล่าที่จริงเป็นเพียงอดีตที่ที่ิ่มหัวไปข้างหน้ากท่า น, นั้นเองที่คาดการ์ไปกระบวนการดำรงอยู่ของมนุษย์เรากำลักงกระบวนย้อนหลังเมื่อผมคิดถึงจังหวัดที่เคยอาศัยอยู่ ภาพของอดีก็จะปรากฏขึ้นอมโนภาพปรากฏขึ้นในจอใจแล้วมันถ้าผมไม่รู้ตัวในขณะนั้นนั้นมโนภาพปรากฏขึ้นควบคุมจิตใจของผมโดยทั้งหมดแล้วก็เริ่มมีอารมณ์อะไรอววรหรือดีใจหรือเสียใจอย่างหนึ่งน แต่ถ้าว่าในขณะที่มโนภาพปรากฏขึ้นต่อจิตผปรดสังเกตผมใช้สองถ้อยคำนะครับว่ามโนภาพปรากฏในจิตเราจะถูกควบคุมทันทีจากมโนภาพนั้นเพราะเราไม่รู้ตัวครับและสิ่งที่เกิดในจิตทั้งหมดเป็นมายาภาพทั้งสิ้นเราสามารถนึกคิดได้สารพัดสิ่ง แต่ถ้าในขณะที่มโนภาพเริ่มปรากฏขึ้นแล้วมันปรากฏกับจิตไม่ใช่ในจิตในขณะนั้นเองนะครับความลับของการดำรงอยู่ก็จะถูกเปิดเผยขึ้นนั่นคืออารมณ์แยกตัวจากจิตเมื่ออารมณ์แยกตัวจากจิตทั้งอารมณ์ทั้งจิตไม่มีรากทั้งคู่ครับเปลียบประดุดกับคลื่นสองลูกกับท่ากันเต็มแรง คนก็คือกระจายหอยศูนย์ดูลองไปเข้าดูบางสิ่งดูนะครับว่าเรามีจอสําหรับเห็นรูปถ้าไม่มีรูปให้ดูเลยเนี่ยตามจะละลายไปด้วยครับแต่หารจะก็ให้หมดหน้าที่หรือแขนที่ใช้แกว่งไกวและจับต้องแต่เราไม่ใช้แขนาน้ำจะรีบครับมันจะรีบเข้ารีบเข้า ดุแมนอวยวะหรือองค์อินทรีย์ทุกส่วนมีหน้าที่ใช้สอยควบคู่กับอารมณ์ที่กำมาประกอบถ้าอารมณ์ไม่ปรากฏอินทรีย์ก็จะหมดหน้าที่ลงหมดกิจลงในขณะเดียวกันเมื่ออินทรีย์ไม่ทาหน้าที่ของอินทรีย์อารมณ์ก็จะจบลงด้วยสองสิ่งนี้มาและไปด้วยกันดังนั้นในขณะที่ อารมณ์หนึ่งนใดปรากฏกับจิตเราสังเกตอีกครั้งนะครับว่าผมผมไม่ได้ใช้คําว่าเกิดในจิตอารมเกิดในจิตนั้นเรารู้ไม่ทันนะครับเปรียบประดุจกับการฉายภาพยนตร์บนจอนะครับถ้าเราเพลิดเพลินกันท้องเรื่องที่ภาพยนตร์เรื่องนั้นสรรแต่งขึ้นนะครับเราเข้าไปในเรื่อง ในเรื่องก็มีทั้งสุขทั้งเศร้าทั้งโศกทั้งอารมณ์ดีใจและเสียใจเราจะเพลินไปกับเนื้อเรื่องเหล่านั้นในภาพยนตร์แต่สมมุติว่าเราเรียนท่าทีของการดูภาพยนตร์นะครับแทนที่จะดูเอาภาพยนตร์เอาเนื้อเรื่องเอาอารมณ์ตามท้องเรื่องเรากลายเป็นนักสํารวจอิสรเราดู หรือบางครั้งเราเปิดโทรทัศน์ที่ภาคบรรยายเป็นภาษาซึ่งเราไม่เข้าใจเราก็เห็นแต่ตัวละครอ้าปากหูกปากกระพริบตาเดินหน้าเดินหลังเสียงได้ยินอยู่แต่เราไม่เข้าใจความหมายนั้นแสดงเราถอนตนจากการตามติดในเรื่องไปมาไปูนสม ร, รู้รือิสรา ตรงนี้เป็นเป็นประสบการณ์ที่สำคัญนะครับแต่ผมไม่ได้แนะให้ไปนั่งดูทีวีด้วยวิธีนี้นะครับเพียงไปยกตัวอย่างให้ดูต่อจากนั้นถ้าเราเรื่องสังเกตให้กระชั้นชิดขึด้นอีกลเราเริ่มเห็นลำแสงอย่างาพรายังกลางแจ้งนะครับที่ก็ฉายกลางแจ้งเราเห็นลำแสงพุ่งมาจากเครื่องฉายเราก็ค่อยเลื่อนสายตา เลื่องความสังเกตจากการเข้ามาในเนเรื่องมาสู่ภาพล้วนๆและเสียงล้วนๆซึ่งเราไม่รู้เรื่องไม่มีความหมายไม่ไม่นำเราไปสู่อารมณ์ใเพียงได้ยินได้ฟังได้เห็นได้สัมผัสเท่านั้นเราเลื่อนมาเห็นลำแสงและในสุดเราเลื่อนมาถึงตัวเครื่องฉายจากนั้นอีกเสี้ยววินาทีเดียวเราเห็นคนหนึ่งยืนฉายสิ่งนี้อยู่ ผมสร้างอุปมานี้ขึ้นมาเพื่อว่าจะค้นหาวิธีอธิบายที่ว่าเราจเจริญนิพพานานั้นเราต้องทําอย่างไ ร, รการจเจริญนิพพนานไม่ใช่การมุ่งคิดให้แตกหักในเรื่องอนิจจ์ทุกขังอนัตตาทําอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ก็จะเป็นข่ายสมมุติทั้งสิ้นตอนเราคิดเป็นเดือนเป็นปีเป็นสิบปีเป็น20 30ิบสามปีร้อยปีนะครับ อย่างดีที่สุดของการใช้ความคิดปรุงแต่งเพื่อเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมหรือธรรมชาติอย่างดีที่สุดก็คือเราปราดเปลือ่องแตกฉานในความคิดแต่มึงเราจะไม่สามารถนำผลได้อันนั้นไปจัดการกับความทุกข์ยากที่เราเผชิญหน้าจ ร, จ ร, จริงๆอย่างโดดเดี่ยวพมคงหมายถึงว่าแม้จะทามากในแง่นั้นนะครับแต่ผลจะน้อยนิดมากๆ ซึ่งตรงข้ามกับการทำแม้น้อยนิดแต่จะมีผลมากมายอย่างคาดไม่ถึงนั่นก็คือการถอนตนจากความคิดก็อาจจะต้องตั้งคาถามขึ้นมาว่าถ้าเราถอนตนจากความคิดแล้วเราจะกลายเป็นคนไม่มีหัวคิดหรือเปล่าและเราดําดงชีวิตอยู่ในโลกที่ความคิดให้ความหมาย และสวัสดิการแั่เราคนที่คิดมากคิดเก่งคิดชัดเท่าไหร่เขาน้าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้คงไม่มีใครออ ย, า ง, อยางนี้โตเถียงได้นะครับแต่ขอให้สังเกตจริงหนึ่งก็คือเพราะความคิดอันมากมายใช่หรือเปล่าครับที่ทำให้เราทุกข์หนอกทุกข์วิกฤตการทนั้งหมดมันมาทางความคิดครับ เราก็ไปเชิญหน้าสองด้านแล้วครับทาอยังไรเราจรึงจะไม่สูญเสียความคิดแต่เราไม่จาเป็นต้องทุกข์กับความคิดด้ว ย, วาาายวบางครั้งบางคืนนะครับเรานอนไม่หลับสาเหตุก็คือเราไม่อ่อนดุดยั้งความคิดของเราได้เราไม่อยากจะคิดเลยเ่องนั้นเรารู้ดีว่าถ้าคืนคิดเราจะเจ็บปวดแต่เราอดไม่ได้เรารู้ดีว่ากรณีชนี้เราจะไม่อยากจะโกรธ โกรธแล้วมันเหนื่อยจะปวดโรภคภัยไข้เจ็บจะรุมเร้าเลยแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะต้องโกรธเรามีสติกันทุกคนนะครับเว้นไว้แต่เราเป็นคนวิกลจริตนั่นก็เป็นความพิการหรืออภัพภะแต่คนทุกคนจะต้องมีสติแล้วาเราจะได้ยินถ้อยคําที่กล่าวว่าใช้สติตัวเดียวเนี่ยละทุกสิ่งทุกอย่างได้ผมคิดว่าเราเข้าใจคลาดเคลื่อนครับ สติไม่ใช่ตัวละเลยเป็นเพียงตัวการที่นำเราเชิญกับความจริงทั้งนั้นส่วนตัวละมันอีกตัวหนึ่ง เ, เพื่อไม่ให้เป็นการลังเลในข้อแนะนำผมนะครับผมจะยกพุทธภาสิตขึ้นมาสำทับ ไ, ไม่ใช่เพื่ออุดพุงนะครับจริงพุทธภาสิตเหล่านั้นรู้แล้วจะมีมิติที่ลุ่มลึกตีความได้หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นหรือที่สุดก็ได้ะครับ เช่นยกตัวอย่างพระเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอรู้จักรูปเธอจักปรินิพานฟังดูง่ายดีกับรูปเราก็เห็นอยู่รู้จักแต่เรายังมีปัญหายุ่งยากบางครั้งท่านบอกว่าเธอรู้จักเวทนาเธอจักปรินิพานเธอรู้จักวิญญาณเธอจักปรินิพานแต่สำหรับประการหลังนั้นสาคัญมากครับบางครั้งเ่านบอกว่าเมื่อรู้จักวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณ ชื่อว่าอยู่ทิศประตูผนิพันพอรู้จักจิตโดยความเป็นจิตไม่ใช่โดยความคิดของเราเราคิดว่ามันมีจิตอย่างนี้ไม่ใช่จิตครับเป็นภาพสะท้อนของจิตแล้วเช่นเดียวที่ผมเคยยกตัวอย่างบ่อยในห้องนี้นะครับว่าเราคิดว่าเราเป็นเราที่จริงภาวะที่เรารู้จักเป็นภาพสะท้อนเท่านั้นผมชอบที่ยกตัวอย่างว่ามื่อเราเย็นต่อหน้าแม่เราคืรู้สึกกับเราเป็นใครคนหนึ่ง ที่เป็นลูกหรืยืยนต่อหน้าลูกเรารู้สึกเราเป็นใครคนหนึ่ง ท, ที่ยืนอยู่ต่อหน้าที่ยืนอยู่ต่อหน้าแม่หรือลูกของเราเปัน้นอย่างใดนะครับภาพสะท้อนนันนั้นนะครับเปรียบเหมือนภาพลวงตาในเทะเลทรายหรือในฤดูร้อนที่อากาศร้อนจกักทำให้เกิดชั้นบรรยากาศ ลำแสงของที่เดินทางจากวัตถุชิ้นหนึ่งชิ้นใดจะเป็นต้นไม้หรือตัวอาคารนี้แล้วมันเกิดการสะท้อนกลับหมดครับจากชั้นขอ บ, บรรยากาศทาให้เราเห็นภาพมีน้ํำนองอยู่ข้างหน้าแต่คั้นพอเราเดินทางเข้าไปถึงแหล่งที่มันเกิดจริงๆปรากฏมันไม่มีครับพอเราถอยกลับมาที่ตําแหน่งเดิมมันปรากฏมีขึ้นอีกแล้วครับดังนั้นเราไม่ควรถ้าพวเราเป็นชาวพุทธเราไม่ควรจะตกเตียงกันเลยนะครับว่า ตัวตนมีอยู่หรือไม่มีอยู่จะพูดได้มัน ม, มีมันก็มีขึ้นนะครับเรื่องไม่มีนะครเราพูดได้มีก็มีขึ้นครับเรื่ความชัวม่วก็เนื่นเราอยากให้มีเราก็พูดมันเท่าเดี๋ยวก็มีขึ้นดังนั้นสิ่งที่ปรากฏในความคิดเป็นแสงสะท้อนครับเพราะตัวความคิดเองนั้นคือภาพสะท้อนโลกของความคิดเป็นโลกซึ่งปรุงแต่งขึ้นจากน้ํามือ และพลังมโนภาพของมนุษย์สำหรับสัตว์เดรัจฉานบางชนิดนะครับที่มีความเฉลียวฉลาดเช่นสุนัขอาจจะมีมโนภาพแต่กินช่วงสั้นๆผมเคยทดลองเลี้ยงสุนัขสองตัวครับในวันหนึ่งก็เขาก็กินอาหารคือกระดูกกระดูกกันเขากินไม่หมดเพราะมันมากมีชาบ้านคนหนึ่งเอามาให้ เขาก็นำไปฝังครับตัวสุนัข ก, ก็ขุดคุยฝังแต่ผมสังเกตดูเขาลืมไปวันสองวันเขาเขาลืมมันก็ทําอะไรแต่มีวันหนึ่งขณะที่นอนนอนอยู่เขาสะดุ้งพงหัวขึ้นมาผมนั่งข้างๆเนื้ อ, อกอกเขาต้องคิดอะไรออกล่ะแล้วก็วิ่งตรงไปที่ตรงนั้นที่เขาฝังก็ดูคุยขึ้นมาแล้วกินมันสแสดงเขาเพิ่งนึกออกครับความคิดนั่นเองปรากฏขึ้นในจิตของเขา มตทางความคิดก็คือมิติขความจำในสิ่งอดีตในการกระทาครั้งอดีตในความรู้สึกครั้งอดีตดังนั้นคนที่ฝังแน่นในการกระทาความรู้สึกความจำครั้งอดีตอาจจะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมากนะครับแล้ววันหนึ่งเราก็วบว่าในความหลักแหลมของความทรงจานั้นได้ก ล, กลายเป็นวัวพันหลั เชื่อว่าทุกคนหลายคนคงเข้าใจคำวัวพันหลักแต่ถ้าคนรุ่นใหม่อาจจะลำบากครับเพราะไม่ค่อยเห็นไม่คอยเห็นวัววัวที่มันเด่นจะหนีไปกลางทุ่งไปกินหญ้ามันยิ่งดิ้นเท่าไหร่ยิ่งพันตัวมันเองเข้าในสุดวันถึงช่วงขนาดหนึ่งก็ล้มตึงทุกๆุกขณะกระแสความคิดไหลผ่านเราครับแล้วสิ่งที่เรียกกันว่าอาสวะ ก่านเขามาทางความคิดกระแสอาสวะไหลต่อเนื่องอยู่ในตัวเราครับโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นหลักธรรมในพุทธศาสนานั้นชี้ตรงไปสู่การทําลายความไม่รู้ตัวครับเพื่อเข้าไปตัดกระแสอาสวะที่ไหลยอยู่ลึกทีนี้ผมพูดเอ่ยถึงคำว่าสตินะครับที่เราคิดว่า สติทำให้ละกิเลสลาขะโทสะโมหะหรือบางคนหนัดอธิบายขยายว่าถึงขนาดละอาสวะได้ด้วยแต่ท่านไม่ตรงตามที่เป็นจริงครับสติในความหมายคำ ว, ว่ารู้ตัวนั้นมีความหมายหลายซับหลายซ้อนพทะดวงตรงตอั ว, ว่าสติเป็นสิ่งที่ดีแต่สตินั้นละเวรหาได้ไม คืออะไรครับอย่างตอนเราเป็นนักเรีนครูก็จัดให้ทําเวรสมัยนี้คงไม่มีแล้วครับสมัยโบ ร, ราณต้องจับเวรแล้วก็อยู่เวรเฝ้าเวรถึงเวลาต้องทำนั้นเวรก็คือกรรมคุณท่านั่นเองครับถึงเวลาต้องอยู่เวรอีกแล้วต้องไปกระทํำอันอีกแล้วครับในการเสพในการกินในการอะไรสุดแท้นะครับดังั้นสติละเวรไม่ได้ครับเหมือนเวลาเราโกรธเราเรารู้ตัวเราโกรธ แต่เราโกรธแต่เรายังโกรธอดโกรธไม่ได้เพราะผมเคยเล่าให้บางท่านในที่นี้ฟังอยากจะเล่าซ้ำอีกด้วยคิดว่ามันมีประโยชน์อยู่ไม่มากก็น้อยครับสมัยผมเป็นหนุ่มอยู่เคยไปศึกษาธรรมะจากครบาอาจารย์ท่านทึ่ท่านสอนดีมากครับโดยหลักโดยทฤษฎีแล้วคิดว่าถูกร้อยเซนนะครับถูกต้องทุกอย่าง ท่านสอนเหมือนที่พวกเราส่วนใหญ่ทราบกันดีว่า่ราคะก็ดีโทสะโลภโมหะเรากดขึ้นให้เรามีสติกําตดรู้ว่าราคะเกิดขึ้นแล้วแลวให้พิจารณาว่าราคะนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยหลักทฤษฎีแล้วไม่มีอะไรน่าสงสัยคลางแคลง ว, ว่าจะปิด ผมเชื่อฟังตามนั้นนะครับก็ปฏิบัติตามแต่โดยประสบการณ์ส่วนตัวองผมแล้วพบว่าหนักขึ้นครับเพราะมราคะโทสะโมหะเกิดไปดูมันเข้ามาันเลยจำมาลงนั้นครับจิตทุกคนธังท า, ง ท, างทั่วไปเห็นอะไรจะจำมาลงนั้นตันทีนั้นยิ่งจำมันไวเท่าไหร่ยิ่งหนักขึ้นรงพแรงขึ้นทุกทีทุกทีแทนที่จะเบาโปรง่งสบายสบาย ผมติดตันในวันปัญหานี้นานปีมากครับนานนับสิบปีครับเป็นสิบๆได้ครับไม่ใช่วันสวันกว่าจะคลี่คลายสถานการณ์ได้นะครับก็เล่นนนเหน็ดเหนื่อยและยุ่งยากมากครับการคลี่คลายสถานการณ์นั้นผมเพิ่งมารู้ด้วยตวงตัวเองนะครับว่าที่ว่าด้วตวงตัวเองนั่หมายว่ไม่มีใครมาแนะนำอีกนะครับก็คือ แทนที่จะดูราคะโทสะโมหะผมต้องสำรวจพื้นใจก่อนหน้าที่ราคะโทสะโมหะปรากฏนั้นให้ใหแนบแน่นใ ห, ให้เป็นเนื้อเป็นตัวเลยนั่นคือแทนที่จะเอาตัวโทสะราคะโมหะแต่เราตัวไม่มีนะครับเอาตัวไม่มีเป็นฐานปกติที่เรานั่งอยู่อย่นี้นะครับไม่มีครับผมเชื่ออย่างนั้นนะราคะก็ไม่มีครับโทสะก็ไม่มี ถ้าใครอยากจะด่าผมนี่ผมยินดีให้ด่าเอาเลยครับแล้วเราสิเราไม่อยากด่าเราไม่อยากมีมันแต่เราอาจจะมีโมหะบ้างที่ลืมๆตัวหรือนั่งนั่งเข้าไปในความคิดเป็นโมหะอยู่บ้างแต่โดยพื้นเพลแล้วเราจะไม่มีนแต่ในขณะที่เราไม่มีโทศสะโลภะเหล่านี้เรามักจะไม่เข้าใจครับเราก็ปล่อยใจคิดนึกไปเล่นไปเรื่อยๆแทนที่จะดูมันแล้วก็ทำความแ น, แน่นๆสนิทสนม รูปิธีชีวิตของคนธรรมดาสามัญด้วยความรู้สึกตัวง่ายๆนี้ครับนี่เป็นรากฐานใหญ่มากสาหรับชีวิตเพราะว่าชีวิตของมนุษย์จะรอบเรื่อนได้ด้วยสภาวะปกติของกายและใจนะครับขณะที่เรานั่งอยู่ขณะที่เรารู้ตัวเบาๆปลอดโปร่งนี้นะครับคือขณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการภาวนาไม่ใช่ขณะที่เรากำลังอยู่ในถ้าในป่าหรือในเขา แล้วไม่ใช่ขนาดที่เราต่อสู้เพื่อจะละราคะและโทสะละโมหะแต่ถ้าแม้ว่าเราคุ้นเคยกับภาวะที่ปราศจากราคะโทสะโมหะแล้วครั้นราคะความคิดที่มึนราคะโทสะโมหะปรากฏมันจะไม่เอาเองครับเราไม่ต้องละครับเมื่อเราไม่ต้องการมันมันไม่น่าจะอยู่กับเราผมผมพูดอะไรคล้ายเกนหรือเปล่าครับว่าราคะหรือโทสะถ้าเราไม่ต้องการมันจริงจริมันจะอยู่กับเราไม่ได้ เราไม่ได้คิดถึงมันเลยเราไม่ได้จํามันไม่เลยเนี่ยมันมันเข้ามไม่ได้เลยนี่ข้อที่จริงที่ผมอยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในขณะที่เกิดโทสะโลภะมหานั้นอาวุธของเราไม่มีครับถ้าเราเอาความคิดไปตรงนั่นคือความคิดไปละความคิดเหมือนว่าเรากําลังเล่นซ่อนหาอะไรกันอยู่แล้วก็ถ้าเราคมมันได้เช่นเราคิดปลงว่ามัน ไช่ตัวไม่ใช่ตนเราดูเโล่องๆ เ, เป็นระยะระยะครับแต่สแล้วเพราะความจําความจํานั้นเปรียบเหมือนมือที่เปียกน้ํานะครับแล้วเราซุกลงในสายแห้งจะห้ามไม่ให้สายติดขึ้นมานไม่ได้ความจําคนทั่วไปนั้นยังเปียกชื้นไปด้วยความปรารถนาคือชอบจําำอารมณ์ที่เรียปรารถนาไอ้สิ่งที่ไม่ปรารถนาก็จํากั น, กนแต่จํำในแง่ลบใครด่าเจ็บๆก็จําไว้หรืออะไรที่อร่อยเพลิดเพลิ น, น, นก็จะจำไว้ ฉะนั้กระบวนการความจำของเราจรึงย้อนอดีตเพราะวัดภูมิใจอารมณ์ที่เคยลิ้มเคยลองและย้อนมากลายเป็นความหวาดกลัวที่พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจดูตัวอย่างเึ่นนี้เป็เรื่องความตายที่จริงผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้กลัวตายถูกอาจจะกลัวเจ็บหรือกลัวผลสิบเนื่ในความตาย เราจะกลัวสิ่งที่เราไม่เคยมีประสบการณ์นี้ไม่ได้ครับมันผิดหลักในแง่ายจิตวิียาหรือในแง่ายประสบการณ์นะครับเด็กเล็ก ๆ, ๆไม่เคยรู้จักไฟเขาจะไม่กลัวไฟหรือไม่รู้จักมีดคมๆเขาจะไม่กลัวมันแต่ว่าก็แตสะสักครั้ไมัเจ็บเขาจะจําทันทีนะครับทีหลังเขาจะเริ่มสร้างมโนภาพจากประสบการณ์ของอดีตเพียงเห็นใบมีดเท่านั้นรู้สึกเสียว่าบแล้วพอคิดว่ามีดจะบาดรู้สึกมันจะบาดจริงๆแล้วครับ ประสบการณ์นี้ถ้าสมมติวมีดบาดในขนาดที่มีดเฉือนไปในเนื้อตอนนั้นไม่เจ็บเท่าไหร่ครับเมื่อเราถูกเชิญให้ขึ้นพูดในที่ประชุมก่อนขึ้นนะครับกลัวมากๆแต่ตอนอ้าบากพูดแล้วก็ดมจะหายไปความกลัวมีเรื่องํำขันว่าอับรฮัมลินคันก่อนขึ้นพูดซึ่งเขาก็เป็นนักพูดตัวเอครับ ให้สัมภาษณ์ก่อนจะพูดผมกลัวแทบตายเลยนะพ่แต่พออาบกัพูดตายก็ไม่กลัวเลยนะการเช่นนี้ครับคือเรามีการคาดเดาไปล่วงหน้าอันนี้มาจากประสบการณ์ของความทรงจําของอดีตดูเหมือนวิถีชีวิตของเราอยู่ตรงนี้วิถีชีวิตของเราเป็นการวิถีแห่งการค า, า, าดเดาไปโดยปริยายเป็นวิถีแห่งความตรึกนึก และมิตีของตกัดคือคิดแยกแยะตลอดเวลาคาดการ์ดพยากรณ์นั้นมิตีแห่งความตรึกหรือวิอตีแห่งตะกัดจะต้องถูกเปลี่ยนยุทธวิธีครับการภาวนา น, นั้นไม่ใช่อะไรอื่นนะครับคือยุท ธ, ธาศาสตร์แห่งการดารงชีวิตอยู่ใหม่แทนที่จะคล้อยตามกระแสงความคิดแยกแยะเราเปลี่ยนเป็นยุท ธ, ธาศาสตร์แห่งสัมผัสบริสุทธิ์ฐานของมันคือความรู้สึกตัวครับ เรากระิบตามมีความสึกสดประการหนึ่งปรากฏขึ้นมันหายใจเข้าหายใจออกพร้อมเป็นประสบการณ์จริงซึ่งเรามักเรียกปัจจุบันขณะแต่ประเด็นนี้ครับที่เป็นประเด็นส ก, ก, กัดจกรตรงที่ว่าการเปลี่ยนยุทธศารตนี้เป็นสิ่งที่ยากยิ่งครับเนื่องจากเราติดยึดในอารมณ์เราจํามันอย่างมั่นคงดังที่ผมยกตัอย่างว่าความตายนะครับเราไม่น่าจะกลัวตายเพราะาเราไม่ไม่เคย มีประสบการณ์ของความตายแต่ถ้าใครบางคนอาจจะคิดว่าเราอาจจะตายในชาติปางก่อนมันสั่งสมประสบการณ์นั้นไว้ก็ได้ทิดถึงนี้ก็ดีครับแต่ผมจะไม่เล่นเลยไปสู่ประเด็นนี้นะครับความผู้ตายนั้นที่จริงเราไม่ได้กลัวครับแต่เรากลัวจะพัดพลาดจากชีวิตซึ่งเราชิมแล้วคือชีวิตที่เราเร่มลงอยู่เรามีตามีหูมีจมูก มีเล่นมีกายมีใจสําหรับรับรู้อารมณ์นะครับดังนั้นเราลิ้นเข้าแล้วครับตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาเรารู้รสหวานเปรี้ยวเค็มมันอร่อยได้ดังใจไม่ได้ดังใจเราล้วนแล้วจะเต็มอัดด้วยความรู้ประเภทนี้นะครับแล้วทวามสึกิีประการหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่ามันยังไม่พออายุไขที่ธรรมชาติให้มานี่ไม่พอสําหรับเราต่อนเราเก้าสิบแล้ว น้องสิขออีกสปีหรือ50ปีหรือตลอดการก็ยิ่งดี